ต่อไปนะครับออก็จะได้ขึ้นว่างใหม่เลยนะหน่งร้อยแปดสิบสามสองร้อยแปดสิบสงแล้วก้ฝันในอุโบสถวิธีนะครับมาดูหน้าว่างแปดสิบสามมันทลยรข้อที่7ะเด็นะ<ช>ครับอันนี้ขึ้นว่างใหม่ชื่อว่าศาสตร์ธรรมิก ว, วัานะครับที่สื่อความใด ผู้พิสูจทั้งหลายต่างเตือนอยู่ร่วยวินัยศิกขามดพึงกล่าวอย่างนี้ว่าท่านั้งหลายข้าพระเจ้าจะยังไม่ศึกษาปฏิบัติใ น, ในสิกขาบทดังกล่าวจนกว่าจะได้สอบถามพิสุรูปอื่นผู้ชราเป็นครงวินัยทอเสียกอนต้องอาบัติปาจิตีดูก่อนพิสูจทั้งหลาย อันที่สูผู้เคารพต่อสิขาบทมุ่งศึกษาและปฏิบัติตามสิขาบทพึงศึกษาให้รู้ชัดพึงสอบถามพึงให้ทวรการทำเช่นนี้เ ป, นเป็นวัดปฏิบัติที่ดีงามในเรื่องนี้นนะข้อนี้ก็หมายความว่านนพิสุดรูปหนี้งนะพิสูจน์หลายมาเตือนนะครับ ถ้ามันทำอะไรผิดนะเกี่ยวกับเรื่องพระวินัยบางอย่างนะครับโดยอย่างผู้สื่อื่นเข้ามาเตือ น, อนมาเตือนเรื่องพระวินัยบางอย่างนะครับท่านไม่ได้สแสดงความไม่เชื่อฟือนะแต่ท่านอ่านครับผมจะยอไม่ทำตามหรอกครับจนกว่าจะได้สอบถามพระวินัยทอนถ้าลูก อ, <c oughs> อื่นเนี่ยที่แบบเข้าใจพระวินัยเป็นหู้สื่อความรู้จริงๆใช่ไหมจนกว่าจะได้ถามหมดนิยธรรมนะครับอันนี้ครับเออเขาจะเรียกไง เวลาสแสดงความไม่เอื้อเฟื้อไปปุ๊บเนี่ยมันจะต้องไปอีกตีใช่มครับเพราะแสดงความไม่เอื้อเฟื้อก็เลยเรี่กงอ่านะครับอ้อทำป็นบอย่างนี้ไปนะครับแต่ก็ไม่พ้อนอาบัติอยู่ดีนะนไม่พอาบัติก็ยันต้องอาบัตปาสิตีนะครับอืมนะครับความควรควรจะท่าเนี้ถ้ามอกว่าพุทโธตัดว่าทีวยความผิดทัางหลายอันี่สูดพวผู้ขารลบต่อสิขาบทมุ่งศึกษาและปฏิบัติตามสิขาบทนะครับ ศึกษาและปฏิบัติตามนะเพือศึกษาให้รู้ชัดนะครับคือเราก็ศึกษาให้มันรู้แจ้งไปเลยอันไหนเป็นอาบัตมันเป็นอาบัติปัญหาอาบัติเบาเอย่างงไรใช่ไหมครับไม่ออมีคนมาบอกเราก็ต้องสังเกตสายใจนะเพิ่อสอบถามที่ไหนสงสัยก็ถามนะครับอ้าวทำนี้มันต้องอาบัตนะิไหมผิดสีผิดวินายไม่ก็ถามเพิ่งไข้าาควรก็แค่พินิจพิจารณาพินิจให้ดีนะอันนี้เนี่ยคุณจะทํำนี้นะครับ เวลาคนมาเตลี่ยนคนมาบอกเกีเรื่องนัม่ต้องใส่ใจนะครับมันจะมาอ้างเนี่ยนะไม่ใช่การทาเช่นนี้นะเป็นว่าปฏิบัติที่ดีงานในเรื่องนี้แท้จะเป็นศาสนาได้นี้ครับก็มีไปตีตอนที่ว่าเขาเปลน่ยนแล้วเขาก็อ้านนั่นนะไปตีครับเาคอมเจ็ดร้อยสามสิบเก้าเจ็ดร้อยสามสกาออ เรื่องที่สี่ครับวินัยเรื่องสี่นะจอมเรื่องนี้ก็ามาจากลิมพระชนะครับโดยสมัยนั้นทุ่พระพุทธเจ้ามาทำอยู่ณโคศีตาเขตพระนครโคสันตีครั้งนั้นท่านพระชนะประพฤตนะิอนาจารทิสุทา้าลพายังกาอย่างนี้ว่าอาวุโสชนะท่านอย่าได้ทําการเห็นปางนั้นการทําอย่างนั้นนั่นไม่ควรครับ ถ้าวันพระ อ, อนาจาร์ําสิ่งที่ไม่สมควรนะเป็นอาวัตมายาเข้ามาต่างเตือนท่านด้วยพระวินัยมันอย่างนะครับนนีีนะ้เไม่ควระครับท่าทางอย่างนี้ว่าเอาโศฉันจะยังไม่ศึกษาในสิกขาบทนี้ต่อเวลาที่ฉันยังไม่ได้สอบถามพิจูอื่นผู้ชลาผู้ทรงวินัยท่านก็อ้างอย่างนี้เลยนะครับที น, นี้บรรดาพิจูที่ยังพูดมนะั่น้อยสันโดษต้ อ, ต ง, องแค่งผลิเยมพุทธนาว่าฉนัยท่านพระันนะ อันนี้สุดท้ายว่ากล่าวอยู่โดยชอบธรรมจึงได้กล่าวอย่างนี้ว่าอุสุศฉันจะยังไม่ศึกษาในสิกขาดบนนี้ตลอดเวลาที่ยังไม่ได้สอบถามพิสุขอื่นผู้ชนาะผู้สมวินัยอย่างนี้เล่าแ ล, ลาว้วกราบเนื้อความนั้นแดกขึ้นมาผ่านเจ้าเขางรียว่าทรงสอบถามพระชานะทรงตรีเตียนแล้วก็มายศศิขาบูนี้ขึ้นมาข้อนี้ก็ถือว่าไม่ยากายานะง่ายนะมาดูขคำที่บาในคาถา ข้อต้นต้น ย, ยังไม่แ น, น่หนอจะไปยาโน้ดแต่ข้อก้าไปแล้วยาดีอะไรนะในคำถาหน้าสองร้อยยี่บเจ็ดครับสยเจ็ด <27 S 2> <7 S 1> ครับเจ็ดนะครับสปาน่ากับ ว, ว่าอันนมันอธิบายสั น, นไม่ใช่ไปดูเป็นสปาน่ากับ ว, ว่าไม่ใช่สอ <c oughs> งร้อยยี่สิบเจ ไอ้ไม่เป็นไปดูอะไรกับป่าอถูกมสองร้อยสามสิบผมนะครับแต่ดูคอนเจกไอ้ตัวตัวไปไหนไปไหน่นะรายการนี้นะครับจบาล้วสามสิบสามสิบหกแล้วนะครับสองร้อยสามสิบหกแล้วนี่แปดนะครับว่าที่แปดนาศธรรมิกกว่านะครับหนึ่งอธิบายศาสธรริกกัสินขาบน ถึงทราบอธิบายในสิกขาบทที่หนึ่งแห่งสาสตร์ธรรมิกาว่าไปนะครับเนื้อความเห็นคานี้ว่าศาสตร์ธรรมิการู้จักราณูไปอันที่สือเท่าไหายว่าความอยู่ด้วยอะไรนะครับสาสตร์ธรรมิก <c oughs> ด้วยด้วยอะไรนะศาสตร์ธรมิกาด้วยสิกขาบทพระุเจ้าสมัยวัยไห น, น, นครับเขามาศาสตร์ธรมิกาวนะั่ อันนี้นะครับข้าพระเจ้าได้กล่าวมาแล้วในทุประจักสิกขาบทท่านก็จะึงปฏิบัตตามนี้เขาว่าสารธรรมิกรรมนะครับความจริงสิกขาบทที่มุ่งว่าๆทรงบัรญายนไว้นั่นแหละชื่อว่าชอบธรรมชื่อว่าสารธรรมิกรรมนี่ะครับสิกขาบททรงบัญยายนไว้อย่างนั้นชื่อว่าสารธรรมิกเพราะว่าเป็นนิสายธรรมิกเนี่ยจะต้องศึกษานะครับเป็นนิสัยจะไม่ต้องศึกษาหรือว่าเป็นของสารจะไม่หลงนั่นแหละนะครับ เพราะฉะนั้นภ้าวินัยบัญญัติเนี่ยท่านก็เลยเรียกว่าศาสตรา์ามิก า, าอาจารย์ก็เลยแปลว่าอนุสุททั้งหลายว่าอ่านดูด้วยพระวินัยบัญญัติใช่ไห ม, มาาญญาความว่าในสิกขาบท น, นั้นเอตสมมิงสิกขาประเทศความว่าเราจะไม่เรียนรู้ถ้อยคําที่ท่านกล่าวไว้ในสิกขาบท น, นั้นก่อนะคยังไม่ได้ศึกษาปฏิบัติอ่านเลยนะส่วนในคําว่าเป็นปานจิ ต, ตีนี้เพราะกลัวจะต้องอานบัตไปจิตี ในกรณีที่ไม่เอืดเฟื้อสิกขาบทใช่ไหมเราก็เลยหาทางเลี่ยงะครับอ้าวจะบอกเอ้ามาตืมทําไมเนี่ยเป็นใครกันแน่อย่างนี้ไม่ได้แล้วใช่ไหมจะไปดูไม่เอืดเฟื้อนะครับก็เลยอ้างอะไอย่างเงี้ยน ะ, ะจึงอ้างปล่อย่างนี้นะครับนี่ต้อง ป, ปัจจัยิตติทุกทุกคอมพูดเลยนะครับเนี่ยมันกันแน่มนว่าสิกขามาในหน้านะครับเรีวยกว่าอภิสุทธพูดศึกษาใช่ไหมพูดศึกษาอยู่นะครับ น, นั่นนะ ในสิ่อันหนึ่งวิธีเมื่อกี้อาจาไปแล้วูกต้องนะครับไปในความดีมากเลยเนะี่ยพี่สุผู้มุ่งศึกษาและปฏิบัติตามศิกขาหมทนะควรที่จะทำอย่างไรความว่าควรเป็นผู้ยอมรับโอว่าด้วยความเคารพอย่างสูงและศึกษาเรียนรู้ต่างๆเรเหมือนกับมีผู้มาชี้ผุมซับนะใช่ไ้มกติยานุภาพวินัยเมื่ออย่างเราไปทาไม่ถูกําไหนไม่ดีใช่ไหมครับรู้หมดนี่ย แล้วมีคนมาช่วยแนะนำบอกไกดีนะครับแล้วก็ต้องรับโอวัลคองรถเบี่ยงสูงเลยนะนะครับมันก็เข้ามาบอกของซั่งเราเลย <c oughs> บทว่าัญญาตับพังนะครับแปลว่าพึงรู้ทั่วถึงที่นันกแปลว่าคุณรู้ชัด น, นะครับรู้ทั่วรู้แจ้งจนะฮะ ค, คาว่าปริปุชิตตับพังแปลว่าควรสอบถาม น, นะครับว่าสิคราส่วนนี้มีความหมายว่าอย่างไรอธิบายไม่ให้หน่อย <c oughs> ผขยังไม่ได้เรียนอธิบายสมานเขาว่าเป็นยังไงนะสิกขาบทนี้นะนะครับผมทําผิดยังไงอธิบายมนาะบอกว่ากนณีประหินตาําพังแปลว่าควรคิดพิจารณาต่าตอแล้วก็ไข้ควรตาที่นิพพิจารณาตานี่นะคนที่จะทํำนี้ถ้าไม่ควรนี้เป็นอันเลทลอยหรอก<ม>เหตุเกิดและประเภทอันลอยสิกขาบทนี้พุทธภาคเจ้าทรงปราพรชนาเถระในเมืองโกสัมพี บัญญัติไว้แล้วต้องเห็นคือการกล่าวโดยไม่เอึดอื้ออย่างนั้นเนี่ยอ้างเลขนะครับเป็นสาธารณบัญญัติพิสุนี้ก็มีนะครับอนันติกาไม่เกี่ยวกับการใช้ถ้าเราทําเองนะอ้างเลขเองนะโดนติกาปาจิตีก็คืออุปสำบาลนะครับพิสุมาเตือนนะเข้าใจสงสัยสัมผัผิดก็อ้างเลขนี้ก็ต้องมาทางนั้นนะครับอนุปบัณฑ์ต่างเตือนแล้วเป็นติกาทุกกฎ ทั้ามประสัมบัญญและอั น, นิประสมบัญญัตทั้งสองตั้งเตือนอยู่ด้วยข้อที่ไม่ได้มาในะคะบัญญัติก็ที่มาในาพระสูตรพระพิธรรมอะไรครับเกี่ยวกับความขัขังกาวต่างๆเป็นตะ้นอย่างนี้นะเขาก็มาแนะนําต่างเตือนนะครับว่าความแบบพวกอย่างนี้ไม่เป็นไปเพื่อความขัดกาวเป็นต้นนะอะไรเขาก็มาบ้างตั้งเตืนท่านจะทําอย่างนี้นะ ไหนเนี่ยไม่ขัดเกล้าหมอครับพระสูตรต้องขัดเกา้าต้องสมรวมใช่ไหมต้องกิจยามมารยานะครับมันใช้ว่าอะไรก็นำเข้านำเข้านำเข้าหมดนะไม่มีการพิจารณาเลยจิงของแต้นเป็นหมดแลมวรู้อะไรบ้า<ม> <c ười> ขยงขยะมากเลยมันเกินไปนะเดี๋ยวไม่ขัดก้าครับต้องใส่ใจดีนี่นะอดีเดี๋ยวเรื่องพระสูตนะครับถ้าจะพูดเรื่อมงมากน้อยสันโดษให้เราฟังใช่ไหมถ้ารู้หรือเปล่าว่ามากน้อยมเยกี่อะรู้ไหมครับว่า ไอความมั่นม come <hayır S 1> e, ั่สันโดมีกียงสัสันโดษนะสมสันโดสันโดมีกี่อยครับใครด้อ่านบ้างมีอ่านไมครับสันโดมีสี่นะครับจมสันโดมีสี่อ่านใช่ไมใช่มียะช้าลาถ้าสันโดษใช่ไหครับสันโดด้วยปัจจัยตามีตามได้ได้แค่ไหนก็พอใจแค่นั้นไหครับแล้วก็อะไรอีกเนะ่ ยถาพระละสนโดสันโดตาสมควรแก่กํำลังครับผมจะไปไล่ไม่ครบแล้วนั่นยะถาสารุปปะสนโดสันโดตามความเหมาะสมแก่ตนนะครับเนี่คนี้มียถาราภังนนะครับยถาพระละยถาสามูปปะแล้วก็ยถาไหข้อนะนี่ครับนะาาานี่ครับ ไม่ใช่เอกสโนนะะครับแล้วก็ว่าสันโดตานตามได้นะครับสันโดจานกาลังนะรสนโดานสมควรนะแล้วก็สนโดลายาเอาสันถึงน้อยสนโดเอยดินําไม่ขอบจำอะไรอยู่ดังจำอะสัญญาณน่ไห เองอสนโดนจริจริงแต่ข้อมสีใช่ไหมไปหะดเลยอี้คร e> ับอ in right ันน nope> ี้นะอ่าหน้าห้าสิบเอ็ดห้าสิบเอ็ดนะครับเดี๋ยวได้ีอ๋อนี่ไงผมตกข้อนี้ไปก็มีแค่สามไม่ใช่ม่ใ่สา ไปสีได้ยังไงนั่นมีแค่สามนีะครับนั่นผมก็เลยงงไว้แต่นี่ทำไมนับแค่สามีแค่สามอันที่สี่หมายถึงว่านะครับปัจจัยสี่นะครับปัจจัยสี่ก็มีการสันดษสามอย่างนี้เพราะฉะนั้นสี่คูณสามได้สิบสองนะครับสันดษมีแค่สามแหละนะสันดษตามมีตามได้ไหมเพราะว่ายังไงได้อะไรมาเขายินดีด้วยสิ่งนั้นนะครับนะเช่นอาหารคาวหวานนะ อาหารดีหรือไม่ดีก็แล้วแต่นะแล้วก็อิจารที่ได้นะครับไม่นลำบากไม่มั่นใจที่จะเอาอย่างพูดอย่างนี้ น, นะครับเยาะแาพระสนโดก็สนโดตามกําลังนะครับซึ่งว่าไอาสิ่เนี่ยอาหารที่ได้มาใช่ไหมเราไม่สบายยากแก่เรานะครับหรือแสลงกระโดดของเรานะมันไม่พอกําลังเราแล้วใช่ไหมถึงจะเป็นอาหารดีอร่อยนะครับแล้วก็ไปแลกกับเพื่อนพิสูจที่ก็มีอาหารที่มันสบายยากแก่เรานะ ถึงอาจจะไม่ค่อยอร่อยปัญหะสุกภาพเา ม, มันจืดจืดจืดจืดแต่ว่ามันสลายายากแต่โลกนะครับมันไม่จังอย่างนี้นะนี่ถ้าเราก็ไปแลกนะไม่ได้บรรจัยอืย่นก็ทำนองนี้นะครับตามสมควรกับกำลังว่าไอ้ปัจจัยสิ่งเนี้ยเรารลบะได้ไหมเราผ้าอะไรนะผ้าป้าอย่างดีนะครับแต่ว่ามันหนาเนี่ยตัวเราเล็กไม่ฟคยทนมันไม่เคแข็งแรงใช่ไหมถึงผ้ามันจะดูดีเนะี่ยเราก็ไม่ใช้นะครับ แล้วก็ไปสวรรค์อื่นแล้วข่าหนึ่งของเขานะ่ะมันอาจจะไม่ดีเท่าใช่ไหมแต่ว่ามันเบาบางกว่าเหมาะกับเราแล้วก็เอามาใช้แลกเปลี่ยนกันได้เ<อ>นี่ยเรียกว่าสมควรต่างกํำลังสมควรกําลังสันโดษนะตาสมสมควรกับกำลังแล้วก็อะไรนะครับสันโดษนะตาความเหมาะสมตามความเหมาะสมแก่ฐานะของตนนะจะว่าได้ของดีมาอุ้ยได้อาหารจีวรมาอย่างดีเลยนะครับ อ้ยจีวแบบนี้น่ะสมควรกับาพระเทนาเข้ามาหาเทนะนะสมควรคุบาจาผู้มีคุณธรรมนะครับเราพราหนุ่มเนออาะเดี๋ยวพึ่งไปใช้แะไอย่างนี้นะครับหน้ามันาก็ไปถวาอาจารย์นะครับตัวเองก็เอาของธรรมนาธรรมนาของอาจารย์เงี้ยนะมาใช้แทนนะครับนี่แหละชื่อว่าส่งโ่อแต่างความเหมาะสมนะอ่านี้นะครับข้าบอกว่านะาว่าผมจะบอกว่าคนที่ไม่ไม่รู้จักนะครับ คนที่ไม่รู้จักยินดีในสิ่งที่ตนมีอยู่นะครับจะไม่รู้จักคําว่าพอใช่ไหม ค, ค, คนที่ไม่รู้จักินดีในสิ่งที่มีอยู่คําว่าสันโดน่ะมาถึงความมีในสิ่งที่ตนมีอยู่นะครับถ้าไม่รู้จักเนี่ยคำมีความรู้สึกอย่างนี้ไม่เป็นนะจะไม่รู้สึกว่าพอนะครับอยากจะได้เรื่อยๆมีที่สิ้นสุดนะสมมุติอ้าวคุณมีเอ็สามเครื่องหนึ่งสองกิ๊กใช่ไหมครับม า, า จ, จะมาราคาสองพันกว่าอะไรก็แล้วแต่นะคุณรู้สึกว่ามันน้อยไป คุณนอ้คุณเขามีสี่กิ๊กแปดกิ๊กใช่ไหมยกตัวอย่างะครับ<ม>อยากจะได้มากครับ<ม>ของร้านน้อยๆใจนะโอ้เราพระอาครับหา <laughs> ของดีคนอื่นไม่ได้ถ้าเนี่ยมันเกิดขึ้นโดยชอบทำใช่ไห ม, มอาจจะมีใครมาถวายกันแล้วแต่นะครับอันนี้ยกตัวอย่างเฉยนะเนี่นครับ<ม>ถ้าเรานมาจัดรู้จัดในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่นะมันจะไม่รู้จักคําว่าพอครับมันพัฒนาเพิ่มด้วยไม่มีที่สิ้นสุดนะอย่างนี้นะครับพอมันอะไรนะมันมีอันตรายใช่ไหม เราต้องการไอพีสี่ใช่ต้องการแปนได้นะครับมีสองกิ๊กไม่พอต้องการสี่มีสียพอต้องการแปดนะครับมีแปดก็ยังน้อยไปเอา40าสี่สิกนะครับสี่สิน้อยกว่าสองร้ยกิ๊กใช่ไมเอาเครื่องลหมุยไปเลยคท่าสองร้อยกิ๊กมาเลยนะมันจูไงจุไม่พอไตันหาจุไม่พอใ้แกตันหาหล่ะนะครับนั่นนะครับ เนี่ยเราหวานนะทําไม่ไม่ยึดจากในสิ่งที่มีอยู่นะครับมันก็จะพัถนาแสวหายังไม่มีที่สิ้นสุดนะใจมันก็จะไม่มีความสุขนะรู้แต่ว่าของเรามันยังไม่ดีไม่ดีไม่ดีคุณก็มีดีกว่ามีอะไรกว่านะครับแล้วก็พัฒนาจนได้ไม่มีที่สสุดนะครับเป็นอย่างนี้นะถ้าเราเห็นกรรมมาดูเราอ๋อมันไม่เคยดีมันดีช่วยเขาไม่ได้ใช่ไหมแต่คำว่าสมเร็จประโยชน์มามันก็สําเหตุสมผลได้ถ้ามันเราฟังได้เหมือนกัน ถึงบางท่ไม่มีสองร้อยกิ๊กเท้าไหรแค่สองกกมันก็ใช้ได้อย่างนี้นะครับไม่มีปัญหาไม่สวยนาไม่มีที่สิ่นสุดนะอาจจะไม่ใช่ยี่ห้อนัะแต่มันใช้หน้าเหมือนกันอย่างนี้นะครับก็ได้บางคนบอกบูดไม่ถีบมาสาแต่เปลี่ยนบานขึ้นว่าเล่นนะครับปีนอยู่หน้าแหล่นะครับเดี๋่ก็บานรุ่งจังบ้างนี่ก็บานรุ่งอะไรบ้างนะครับเปี่ยนหน้านะไม่รู้จากฟอหรือสีนะครับตอนแรกจะได้บานรุ่จังพอา้ดังแม่มคงไม่่อยสวยนะ เอาใบบาทอะไรที่ไม่มีได้ดีกว่าของเนาะเพอได้บาทที่ไม่มีของก็รู้สึกไม่ดีอย่ใช้บาทเล็กเพรได้บาทเหล็กเพรามันหนักันได้จะอย่เอาอีกนะครับเนี่ยนะคนที่ไม่รู้จักพองสิ่งที่มีอยู่ท่านก็ยกตัวอย่างมาของพิษุณีรูปหนึ่งนะเป็นแบบพิษุณีเถล่าล้นะครับเถรีเนี่ยนะก็โยนพวกถวายอาหารมาถวายขนมมาคนละชิ้นคนละชิ้นคนละชิ้นหมดเลยนะครับ พอท่านรู้สึกได้ว่าอา้ขนมที่อยู่ในปากท่านะมันไม่ดีครับรู้สึกว่ามันชิ้นเล็กไปไม่ค่อยดีนะทั้งที่มันเหมือนกันเลยนะครับข้าถวายสิบรูปนะถวายเหมือนกันนะครับแต่รู้สึกว่าของคนอื่นมันดีกว่าแต่ในปากไรเธอไม่ค่ดีเนี่เขาเรียกว่าคนที่มันรู้จักยินดีในสิ่งที่มีอยู่นะครับท่านไม่รู้จักยินดีในสิ่งที่ไมมีอยู่เนี่ยจะไม่รู้จักคําว่าพอครับมันจะปฐนนาไม่มีที่สิ้นสุดนะครับ โ้อรค่นกใบวัวตาค่ะบัวต่เรืงนั้นเอพิธีเขายัไม่แจกมันดีมันมีแก่นอะไรค่ะคุณมมันดีกว่าอย่ไปเอาเลขมัก็แวัวตาทุกถวายีตีเลยนอจะเห็นงั้นไหมครับแต่ก็ขอไอ้เกิดขึ้นในชอบทํานะอันนี้เป็นข้อกอนของฟางขัดเกลานะมันไม่เกี่ยวกับวินัย้วใช่ไหม อ้าผมเอาสองวันกิ้งคัมีปัญหาอะไรยากผรวยใช่ไหมสั่งมาเลย <c oughs> ถามาตามวินัยนั้นไม่ผิดหลักธรมได้แต่ว่ามไม่เป็น่วามขัดเกรารใช่ไหม <c oughs> ถ้ามีคนมาตักเตือนเนี่ยจะเร่งเข้าสู่นะครับถ้าเราก็ไม่เอื้อมเราก็อ้างไปใช่ไหมผมจะยังไม่ น, น้าเหล่านั้นจนกว่าจะได้ถามที่ช่วผู้ชราพูดมาคำกระเถิดอะไรนิเชื่อมคำอ้างอย่างนี้ก็จะต้องอาบัตทุกข์ก่อนนะครับเนี่ย คิสูจน์นออน ก, ก, ก็ยังเก่าอย่างนั้นนะครับต้องอ่ามาทุกบทเหมือนกันเนี่ยถ้ามีเวลาเราไปอ่านดูแล้วับเราจะรู้สึกหลายอย่างนะไมดีผมก็ยังมีแล้วยังมีไล่คมรูสสม้สึอ่นี้ะแค่ปีสามปีสีน่นอนบ้านจริงถเขึ้นงนีน้ผมเลยพูดเรื่องนี้ครับมันก็มีนะผ ม, มใช่ไหมถึงไม่ใช่ MP ก็แต่มันก็ฟังได้ยอดเสประโยชน์เหมือก น, น, นกันนีีเครื่องใหญ่กับเครื่องเล็กอือ ผู้มีเครื่องแรกก็ยากได้ครื่งใหญ่มนเลกไออกเไม่ด้ก็ไม่ายเลยาที่ไหนก็บาลบกนะครับเพรานี้เราอยู่แบบเกินในยุคหรือว่าในที่ที่แบบมันหาคนที่จะแนะนาเรื่องแบบนี้ยากครับไม่ค่อยมีใช่ไหมที่อาจารย์จะมาคอยขนาคอยนั่รีรีรนะกะแสไม่มีใช่ไหมครับ มันก็เลยมาดูไปตามกระแสอย่างนี้นะลำบากเหมือ น, นกันต่อไปนะครับอ่าบัตรนะครับพิสูจไม่ต้องอานบัตรเมื่อก่าว่าเราจึงรู้จัะศึกษานะครับเนี่ยก็เชื่อฟังออคำอ้อนรับผมบจะศีกษาจะใส่ใจนะครับจะรู้คุณอย่างใดแรกพสู่บ้าเป็นต้นก็ไม่ต้องอานบัตรองค์อานบัตรนะสิค้าบนนี้มีองค์สองเหล่านี้คือหนึ่งอุปสมบัทตัเกเตือนอยู่ตามข้อบัญญัตินะครับ ด้วยพระวินัยบัญญัตินนะสองเพราะไม่ต้องการศึกษาเรียนรู้ตามจึงก่าอย่างนะก่ากแอ้างเลข น, นะสิถาวันนี้แค่องสองนะครับก็ต้องหมันไปอีกตีได้เลยสุหมุทันเป็นต้นเหมือนกับอธินาทานสิขาบทเหมือนกับเนี่ยเพราะว่าเรนจําแม่แม่อะลรใช่ไหมแม่มนือพระมเดงอธินาท า, านสุหมุทันนะ ครับได้เลยครับมีทั้งหมดเายจิตเวจาจิตกายเวจารจ <ไป S 2> ิตต้องครับต่างแต่สิขาคนนี้มีพญานาเป็นทุกข์เลยนะครับพาอไม่พอใจในป ล, ลื้มอะครกัจบจดการที่บาสานธรรมิกบาสานธรรมิการศษาบทพ่อ่เป็นทำเลยครับต่อไปนะครับขึ้นข้อต่อไปเ $7 ็ดหน้าร้อยแปดสิ สนะครับอุโบสถ ว, วิธีนะข้อเจ็ดสิบสอง น, นะนครับพิสูรรูปใจเมื่อพิสูรกำลังท่องปาติโมพึงกล่าว <ด ừng. S 1> อ, อย่างนี้ว่าประโยชน์อะไรเล่าด้วยสิขาบลใหญ่น้อยที่สู่สวนแล้วเหล่านี้ <5. S 1> สิขาผลเหล่านี้ช่างเป็นไปเพื่อความสงสัย <5. S 1> เพื่อความเบียดเบียน <5. S 1> ให้ทุกใจ เพื่อความขิดขวนจิตใจบาดใจเท่านั้นเองต้องอาบัติปาจิตตีในพรตติเตียนสิกขาบทนะครับอันนี้นะครับเนี่ยหมายความว่าเนะราพิสูจรูปแบบแล้วแต่เมื่อคนกําลังท่องปาฏิโมกข์อยู่นะครับไม่ได้ถือว่าท่องใน钵 น, นะเพราะท่องในร钵ไปขันไม่ได้นะตอนนั้ น, นเสียุมดเลยหมายว่าเห็นเขากําลังถ้าบอกว่าอะไรนะเป็นอาจารย์นะครับ กำลังช่องปฏิโมกข์รู้สิทิฟังก็ดีนะหรือว่ารู้สิทธิกําลังขอแห้อาการส่วนปฏิโมกให้ก็ดีนะครับหรือว่าเนี่ยถ้ากําลังสาทยังปฏิโมกข์อยู่กุฏิอยู่กุฏิทวนปฏิโมกข์ใช่ไหมพอท่านได้ยินอย่างนี้แล้วนะครับก็เลยไปติดเตียนสิกขาบท น, นะครับให้มีส่วนเหล่านั้นทําไมถึงติดเตียนสิกขาบนบทนะครับก็กลัวว่าถ้าเขารู้ที่ไหนกันเยอะแล้วนะครับเขาจะมาปรับอาบาัตตัวเองพ่อเจยความเู้่อไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ถ้ารู้วินัยกันเรื่องนี้ก็จะมาปราบอาบัตุเองนะครับเราจะหาวิธีย่าง่ายถึงจะให้คข้ามาเรียนวินัยกันนะครับก็เลยมาติดเตียงสึกนขาบุญให้ฟังนะครับจะไปเดียทําไมวินัยเลยแล้วฟุ้งซ่านมากนะครับเนี่ยนะใครบอกว่ายิ่งเรียนอะไรยิ่งสงสัยนะท่านมันฟุ้งซ่านจะตายทุกคผมไม่ที่สุดที่ไม่เรียนไม่น่าจะสงสัยอะไรหรอกนะครับและก็เราบ า, บ า, บ า, บาตรไปเบาๆเรียนไปนะ นั่นก็อาบาัตนี่ก็อาบัตนู่นก็ อ, อาบัตเดี๋ยแค่เหยียดขาอะไรก็ไม่ได้นะโอ้ยหรือแล้วก็ยิ่งทุกข์ยิ่งลำบากเลยนะครับ ไ, ไปเรื่องความบาดใจนะทุ้งใจลาบากใจอย่างเรียวนะครับเนี่ยก็ไปติดเตียนสิกขาบนนี้เขาฟังนะครับอันนี้ก็ยังต้องอาบาัตปา น, านติดเตียนสขาอยู่้วยความเสีย น, นี่ก็เป็นเป็นโทษหนักนะถ้าว่าเขากําลังสาทะย้ายเขากำลังสูง่หรว่าเขากำลเรียนทําวินัยกันอนะีกแน่นั่นแล้วก็ไปพูดนะครับ ให้เขาเกิดความท้อแท้ใจเลิกเรียนไปอย่างนี้นะเนี่ยเราเป็นโทษน ะ, ร เ, นนะะรนะเราเป็นกรรมนะอย่างท้าอะไรนั่น่เรา่องบัณฑุใช่ไหมในอิริยาชาของท่านอนะ่ะที่ฟิสุรูปหนึ่งที่ท่านหัวไม่ค่อยดีใช่ไหมครัท่องสื่อเรียนสือส่ออะไรยังไม่ค่อยจำนั่นนะท้ายเรื่องบัณฑุก็ไปหัวหล่อใส่เขานนครับผมว่ า, เ ร, รนะาเรายกใส่เขาเลยร่มนั้นอายครับเลิกเรียนเลเพราะอะรเลิกท่องเลยนะไอกรรมตัวนั้นนะครท้ายท่านเกิดมาในภพชาตนี้นะ พอมาบว่าเป็นพระแล้วนะครับการเป็นคนปัญญาทุกแค่กระถางเดียวนะครับสี่บาทนะท่องไม่จำสี่เดือนใช่ไหมท่องไม่จำนะครับได้หน้าลืมหลังได้หลังลืมหน้าลืมหน้าแหะครับขนะดั้องสี่เดือนนะนี่นะครับทอหลวงการไปหัวเราย่อใสเข้านะหรือทาให้คนอื่เข้าเราะเรียนทำที่ไหนนะครับเพราะเราจะไปทําอย่างนั้นนะต้องพัฒนาอย่างเดียวนะครับเห็นี้พอพวกเราเรียนพวกเราศึกษาเนี่ยต้องพัฒนาทั้งส่งเสริมนะครับ เราจะไปหัวลอกใส่เข้านี่น่ครับปหัวลออข้าอย่าท้ออะไรท้อแท้ใจอะไรยเงี้ยนะหัวลอแบบหัวลออย่อเข้าอย่างเงี้ยนะครับไม่ดีนื่งะมนเป็นโทษนะครับการตีเตียงเงี้ยมาถึงการตีเตียงไปขาดเินเมือตีเตียงพวกเจ้าลูกไหมครอ๋อรับก็โทษหนักนะก็จะรวมไปถึงนั่นด้วยนะครับก็ตีเตียงทำแน่งพุณธเจ้าใช่ไหมก็เหมือนกับว่าตีเตียงพุทธเจ้าไปด้วยแหละพระพุทธองค์เป็นทรง คุริบัญญัติว่าแสแสดงขึ้นมานะนะต่นี้ถ้าเป็นการตีเยียนไม่ใช่สิกขาหมดแต่เกี่ยวกระสูตรพระพฤหกรรมนี่นะนี่นก็จะต้องบัดทุกก่นะครับมันก็จะเบาลงไปมาดูต้นกันต้องมาจากใครวิ่ขาอันนี้ในเอกสารที่ยาวมากครับกัจจปัจพคี็ดร้อยเจ็ีเรื่องกัจจปัีครับ้วยสมัยนั้น คุณพรภาคพระเจ้าปรทําอยู่หนพระเชตวันอารามของอาณาฐานบิดิกาข้ามบดีเขตระนครสามวัตถีครั้งนั้นคุณพระภาคเจ้าตัดวินัยกถหาทรงพรรณนาคุณแห่งพระวินยัยตัดอันสมแห่งการเรียนพระวินยัยทรงยกย่องโดยเฉพาะท่านบารีเนืองเนืองแก่พิสูจน์ทั้งหลายด้วยอันไหนปริยาพิสูจน์ทั้งหลายพากันกล่าวว่าคุณพรภาคเจ้าตาดวินัยกรหา ทรงพระนาคุณแห่งพระวินัยแต่อาณาสงแห่งการเรียนพระวินัยทรงย่อมย่องโดยเฉพาะท่านพระอุบาลีเนื่องโดยอเนกปริยาอาวุโสทั้งหลายดังนั้นพวกเราทางเล่าเรียนพระวินัยในสำนักท่านพระอุบาลีเถิดใช่ไหมครับเขาเกิดศรัทธาเขรามันเห็นประโยชน์นะครับในการจะเรียนพระวินัยเพราะพระเจ้าอต่างนี้แล้วนะครับก็วิสุท์เหล่านั้นมากเหล่าเป็นเถระก็มีเป็นนวักกะก็มีเป็นมัชยิมากก็มี ทา ง, งเล่าเรียนพระวินัยในสํานักท่านพระอบาลีส่วนพระสัพพคีได้หาดึงกันว่าอาวุโสทั้งหลายบัดนี้พิสูจเป็นอันมากทั้งเถระนวการนัมชิมะทางเล่าเรียนพระวินัยในสํานักท่านพระอุบาลีถ้าวิสุเหล่านี้จะเป็นผู้รู้พระวินยัยเป็นผู้รู้พระบัญญัติในพระวินยัยท่านจังจชุตกระชากผลักสายพวกเราได้ตามใจชอบของเขา พวกความทึ่งของแกไม่ดีเข้าจะรู้ว่าแกทําเขิมพระวินัยใช่ไหมเรียนวินัยมากรู้กันมากโหเราเนี่เสร็จเลยอยู่ไม่ได้เลยนะนี่เราบ้าเลยนะครับจะฉุดกระชากผ่าสายใช่ไหมก็เลยปรึกษากันว่าจะทำยังไงดีเนี่ยจะไม่ผ่านี้รู้วินัยนะพวกเรานี่ได้อยู่สบายนะครับยากกันนั้นเลยพวกเราจงช่วยกันก่อนมาถึงตีเตียนนะครับก่อนผ่าวินัยเถอะเมื่อตะลงดังนั้นก็จะเปิดที จึงเข้าไปหาสุดทั้งหลายกล่าวอย่างนี้ว่าจะประโยชน์อะไรด้วยศึกษาบทเรียล็กน้อยๆเหล่านี้ที่ยกขึ้นแสดงแล้วช่างเป็นไปว่าความรำคาญนะครับเพื่อความลําบากเพื่อความยุ่งเหยิงนี่กระไรนะครับเนี่ยนะบรรดาที่ผู้มากน้อยสนใจแต่ก็เพ่งเข้าไปเตรียมพุทานะครับแล้วก็กล่าวพระเจ้าทรงทราบทรงทรงสอบถามทรงเตรียมปัจจุบัคีแล้วก็บัญญัติศึกษาบทนี้ขึ้นมาครับความจริงไม่ใช่หรอก เรายิ่งเรียนยิ่งหายสงสัยนะครับอาไที่สงสัยเนี่ยเพราะว่าไม่เรียนใช่ไหมนะครับพราะไม่หลินเวลาเรายังรู้ไม่ทั่วอ่ะเราก็เลยสงสัยตรงนั้นตรงนี้ใช่ไหมครับยิ่งเรียนจะยิ่งสงสัยเยอะนะแต่ถ้าเราเรียนปุ๊บแล้วถึงสงสัยนี่ก็จะคอนจากอะไรใช่ไหมครับแทนเข้าใจขึ้นมาแล้วถ้าเราเรียนนะครับมันจะรู้จักรักษาตัวนะครับว่าทำยังไงเป็นอาบัติทำยังไงไม่เป็นอาบัตใช่ไหมครับ แทนที่พูดหรือเ ม, มื่อวานเนี่ยจะเดินทางการกลับมาดุคามทําเลี่ยนจะไม่เป็นอาบัตใช่ไหมคร<ช>ับแล<ช>้วก็ไม่ชวนเสี้อย่างดีใช่ไหม<ช><ช>ถ้าผีมีคนชวนก็ไม่ต้องอาบ<ช>ัตถ้าเกิดมันพ<ช>ลาดท่าชวนไปแล้วจะทํำยังไง<ม>แล้วก็ไปผิดนัดเนี่ยผิดเวลาใช่ไหมคร<ม>ับชึงต้องไปอีกทีห ล, ลายข้อเหมือนกันนะครับเราจะดูีวิธีหรืเรื่องนะว่าใช้ทํำยังไงแทจครับครับสุดท้าเราไม่ได้ไปสายแต่เราไปก่อนเวลาไป เราก็ได้ครับก็แก้บาได้ครับครับผิดหน้าครับหนึ่งครับเรื่องไปก่อนครับจติดผิดครับมจไปก่อนมันจะเป็นนั่งรอรถก่อนหน้าสารเนี่ยไม่ไม่ใช่นะครัแต่เาเดินารก็เดินไปพร้อมกันแหละมันก็ถือว่าไปตามเวลาเข้าแหละนครับไปสอคือเดินทางย้อหน้ากับเลยอย่างนั้นก็ไม่ตรงตามเวลาเข้าไม่ใช่ออกมารอหน้าสาร จะทำไปก็ไปพร้อกันตามเวลาขั้นอย่างนี้นะไม่ใช่นะครับเดิไปที่สายเดียวท่านครับต้องเหนียเวลาเนียเวลาโอกาบท่านยีเรื่องจริงมาว่าเขาบอกว่าข้าที่เร็นใจเนี่ยถ้าถ้าเป็นอย่างนี้ในเรื่องการถาดยาหรือฐานทางอะไรต่างๆวะเนี่ยถ้าไม่มีคนทำให้ใครทำเขาทดลองด้วยสภาพดูมันจะเป็นยไงครับ แล้วเขบอกให้โยมทําสิ่งนี้กับปิยการเขาแล้วลองคิดบ่ายโยมว่าฟังแล้วเรื่องเกี่ยวกับพระวินัยเนี่ยว่าพระทาไม่ได้ถ้าโยมเขามีสรัทธามีปัญญานะอยังงี้ก็ไม่ปล่อยไว้เลยครับก็ต้องเลือกเพลิดเพลินใช่ไหมแต่ถ้าโยมเขาแบบไม่มีปัญญาไ ม, ไม่ฟังไม่อะไรเลยถ้าอย่างงี้ก็คุณต้องย้ายวัดด้วยนะเพราะความปีติของเรานั้นเนื่องด้วยคารว า, าใช่ไหมครับ ถ้าเขาไม่เข้าใจพระไม่อยากเขใจเราไม่อยเอื้อเฟือสิขาบุตรของพระนะก็อยู่ไม่ได้อยู่ลำบากนะครับเขาต้องเข้าใจเราด้วยกันนะครับก็เลยก็ตงจวะอย่งเช่นจวอบลนี้กรรมการเขาเวียงเวียไว้สิพระทรงอย่างเดียวนะพระขี้เกียาหลนุ่งรับกดคืออะไรสกอย่างไม่ยอมสูยาะไเนี่ยเขาเขาไม่ได้เข้าใจนะครับ แต่พ้าของเรงไม่ได้รู้เรื่องเลยนะครับัตรเพราะงเขาอยู่ที่พาะด้วยนะไอตุตีไม่กวนเขาก็ว่าได้นะทำไมอยากหญ่ขึ้นเต็มทางตรงหน้าตรงนี้สานาเขายอมถูเนี่ยโขาติเตียนว่าเป็นข้อว่าของพ้ะน่าเสียนาสนะว่าต้องทำใช่ไหมครับแล้วทาไมพระไยมทำล่ะชาวบ้านก็ติเตียนสิแต่เรื่องของญาติขุนดินเนี่ยแจไม่รูเรื่องใช่ไหมว่าพระทไม่ได้เป็นทางบัตรเนี่เหร ก็ชิ้นใจเขาปทั้งเองนะครับแล้วนี่ก็ไปโยกย่องในบัฒนธุรมคือว่าเขาทำทุกอย่างเขาจะปิดที่ใหอะไรใช่ไหมใ่มันจะเรือรบเลยข้าไม่รู้ที่ไหนนะถั่งหาฝุ่นดินปกต้นม้ใช่ไมอะไรสารพลุยเองหมดนะครับลบานะนรับปัญหาที่รักษาคมของเร่อเอาวินในัน ไม่ไม่ต้องพูดถึงมันจริงสุดนั้นอย่าี้ไปดูี่วัดจะมีเครื่องตัญาทุกวันเทำเอเยทำเองเลเคยเจอนะจ้าวาดเปดูเองเลยครับพ่อยม เ, เขาถวายเครื่องตัดหญ้ามาใหม่นะท่านกาเป็นคนประเดินคุ้นแหกเล่ะนะครับยังมีความสุขะไรนะลองเครื่องครับสบายสุดใจเลนะครับเครื่องใหม่ผมก็ไปเห็นตอนเป็นเนยนะถ้าไม่เข้าใจก็วินัยทำลำบากกัน m m h m